วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2539ันห้าาลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายว่าด้วยประวัติการบรรลุธรรมของพระญาบุคคลโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าบัดนี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพวันนี้มีเอกสารแจก ความจริงในชุดนี้มี8หน้าแต่ว่ า, าได้ทำมาให้เพียงสองหน้าซึ่งยังไม่ใช่เป็นเอกสารที่จะใช้ประกอบคำบรรยายเป็นเอกสารชุดแรกของการสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาริยะบุคคลลนพระพุทธศาสน า, าในเอกสารชุดแรกที่ว่ามี8ดหน้าซึ่งยังแจ ก, กไม่ครบซึงท่านคงจะต้องมารับเอาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงวันเสาร์โน้นนะครับเว้นวันเสาร์หน้าเสาร์หนึ่ง ซึ่งเป็นเนื้อความที่ประมวลเก็บความจากบทสรุปของอัตถกถาจารย์ส่วนที่เหลืออีกคงจะเป็นเอกสารหลายหน้ากระดาษโดยลำดับสืบต่อไปที่จะเอาม า, มาแจกกันภายหลังนั่นก็จะเป็นบทสรุปที่ผมได้สรุปทําเองเกี่ยวกับเรื่องราวของพระอริยะบุคคลโดยชาติภูมิที่กำเนิดสถานะเดิมแล้วก็ถึง อาการของการบรรลุธรรมรูปการต่างๆในหลายๆแง่หลายประเด็นนะครับจะเป็นบทสรุปแต่ว่าคงจะไม่มีโอกาสบรรยายให้ข้อสังเกตในรายละเอียดโดยที่ควรจะต้องพูดอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาที่จะบรรยายกันจริงๆก็เหลืออีกเพียงสองเสาเท่านั้นเว้นเสาหน้าเสาร์หนึ่งก็เหลือสองเสาสุดท้ายของเดือนนี้ก็ได้กรุณาโปรดติดตามต่อไป จนกระทั่งจบของเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นไม่ยอมให้บรรลุเป็นพระอาหารหันด้วยพระอริยะบุคคลที่เราจะกล่าวสืบต่อไปวันนี้ก็เป็นองค์ที่223พระอาหารหันต์องค์นี้มีชื่อว่าพัทธะที่ก็แปลว่าผู้เจริญ น, นั่นแหละครับท่านพัทธะ อ, าาองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์ที่พ่อแม่ ขอมาจากพระพุทธเจ้าก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นลูกของเศรษฐีคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวและลูกคนเดียวคนนี้ได้มาจากการขอพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่าท่านเศรษฐีนั้นไม่มีลูกแต่เดิมนะครับโดยพยายามไปเที่ยวขอลูกด้วยวิธีการต่างๆ ในสมัยนั้นเช่นไปขอกับพวกเทวดาทำการพรีกรรมบนบานสารกล่าวด้วยประการต่างๆก็ไม่มีลูกสักทีกระทั่งได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพอเจอพระพุทธเจ้าคนที่อยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้เนี่ยเจอใครก็เห็นเรื่องการมีลูกเป็นเรื่องใหญ่ขอด่าไปหมดก็ไปทูลขอกับพระพุทธเจ้าไปพร้อมด้วยภรรยา ว่าถ้ากาพระองค์ทั้งสองจักพึงได้ลูกชายสักคนหนึ่งไซจะขอถวายบุรเป็นธาตของพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นธาตก็คือถวายพระพุทธเจ้าและในคำว่าเป็นธาสคือพระเจ้าจะทรงเอาไปทำอะไรก็ได้ทุกอย่างขอให้มีลูกเท่านั้นในที่สุดความปรารถนานั้นก็เป็นจริง อาจารก็เล่ากลไกนิดหนึ่งว่าทำไมเศรษฐีคนนั้นจึงได้ลูกและลูกคนนี้มาจากไหนได้ความว่าในขณะที่เศรษฐีกับภรรยาไปขอลูกพระพุทธเจ้านั้นโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงทาอะไรนั้นจะอยู่ในความดูแลหรือรับรู้ของเทวดาในตอนนั้นมีเท พ, เทพบุตรตนหนึ่งอายุใกล้จะหมดใกล้จะหมดอายุไข ก็คือจะต้องตายจากเทวโลกได้รู้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าคำว่ารู้ความประสงค์ก็หมายความว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาปรารถนาที่จะให้สองสามีภรรยาผู้เศรษฐีนั้นได้มีบุตรสมใจปรารถนาท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาก็ให้ความร่วมมือบอกแก่เทวดานั้นว่าขอให้ท่าน จงได้จุติและไปเกิดในสกุลของเศรษฐีนั้นเถิดเทวดานั้นก็จุติคือตายและมาปฏิสนธิในคันของภรรยาเศรษฐีท่านเศรษฐีและภรรยาเมื่อได้บุตรสมใจปรารถนาก็มีความเชื่อและมีความรู้สึกว่าลูกที่ตัวเองได้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงประทานให้ ก็เลี้ยงลูกจนกระทั่งอายุได้ประมาณเจ็ดขวบพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าการพามาเฝ้านี้เศรษฐีได้ทําตามสัญญาคือที่สัญญาไว้ว่าจะมอบให้เป็นทาตของพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าจะท่งไปทําอะไรเนี่ยนะแต่ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าถึงอย่างนั้นตัวเองก็ยังไม่ได้สูญเสียลูกก็คงจะนึกว่าได้บุคคลผู้ที่เป็นท า, าติทที่จะรับมรดกรับตําแหน่งหน้าที่ อะไรต่างๆครั้นเมื่อพาลูกแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างดีไปเฝ้าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยทรงรับลูกคนนั้นเข้ามาคือถ้าเป็นภาษาจ้บ้านก็เรียกเหมือนเอามาเป็นลูกละเอารูปปถวายเป็นลูกละไอเรื่องของการที่เอาของของหนึ่งที่เราได้มาด้วยพลังของของคนอื่นนะจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ดี แล้วเมื่อได้มาแล้วเราไม่มีพลังพอที่จะคุ้มครองของนั้นไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ทำเครดเราเรียกว่าทำเครดด้วยการเอาไปมอบหรือเอาไปอยู่ในสิท ธ, ธิภายใต้การปกครองของคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะของของนั้นเราจะรักษาไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลก็ตามถ้าเอาไปมอบให้อยู่ในการคุ้มครอง ด้วยอาการเหมือนไปยกให้บุคคลนั้นของของนั้นจะไม่วิบัติผายเรื่องนี้เป็นเคล็ดอันหนึ่งที่มีเรื่องราวทั้งในทางวัตถุในทางบุคคลในพระพุทธศาสนาอยู่หลายเรื่องเดีย ก, กันโบราณของเราได้ใช้เคล็ดอย่างนี้ทำกันอยู่แม้ไม่ถือว่าเป็นเคล็ดเนี่ยอธิบายเป็นเรื่องอะไรบางอย่างอย่างที่เข้าใจได้ก็สามารถอธิบายได้ว่าเรื่องอย่างนี้ มันมีผลในทางคุ้มครองจริงๆขนาดไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสิทธิทคุ้มครองจริงเพียงแต่ว่าไปอ้างะอ้างอ้างทำนองว่าเราเนี่ยเป็นคนหรือคนนี้เป็นคนของคนนี้คนนี้เป็นลูกของคนนี้ยังมีพลังเลยมีพลังที่คนนั้นเขาไม่ปริสุิลายเพะเาปลารบว่าคนคนนี้หรือของของนี้เป็นของคนคนนี้จึง มีพวกเราคนหนึ่งผมได้นั่งรถเขาออกมาจาก <c oughs> ยัวพุตแล้วผมก็เห็นหมวกทหารวางเป็นหมวกแบนๆถามเขาว่านี่เอาหมวกที่ไหนมาวางก็บอกเอาหมวกภรรยามาวางเพราะภรรยาของเขาเป็นทหารยศพันเอกจิงแล้วเขาก็เลยอธิบายเรื่อยไปเองโดยที่เราไม่ต้องถามว่าถ้าผมไม่มีหมวกภรรยา มาคุ้มครองแล้วก็มีปัญหากับตํารวจนี่เล่าตรงๆนะมีปัญหากับตำรวจผนะู้นะ ก, ก็ไม่กี่เรื่องแต่ถ้าเอาหมวกภรรยามาวางแล้วก็บารมีภรรยาคุ้มครองไอ้เรื่องยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับตํารวจเนี่ยเขาว่าอย่างงี้นะยุ่งยากเรื่องอะไรก็เข้าใจกันเอาเองแล้วกันนี่เป็นลักษณะของการการให้การคุ้มครองในเรื่องทํานองอย่างนี้ทั้งเรื่องผิวเผินและเรื่องลึกซึ้ง เรื่องความเป็นความตายก็ตำหนองอย่างนี้ด้วยยกตัวอย่างแค่นี้พอบางเรื่องมันชัดเจนเกินไปยกไม่ได้ให้นิจจนนั่เองนะหลายๆเรื่องในชีวิตของเราที่นี่ก็อยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวก็เป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับมอบแล้วทรงเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดา ที่จะพึงรับเอามาเป็นเด็กวัดรับใช้เหมือนอย่างเราเอาลูกไปถวายพระในวัดไปถวายสมภารในวัดเพื่ออาศัยบา ร, รมีท่านให้ลูกเราได้มีโอกาสศึกษาเราเรียนอย่างโบราณทํากันแล้วก็เป็นเด็กวัดรับใช้พระเ อ, อพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าเด็กคนนี้มีบา ร, รมีเป็นปัจฉิมภรวิกษัตริย์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จึงได้ทรงรับมาและ ตรัสสั่งให้พระอานน์บวชเนนให้พระอานน์ก็บวชเนนแล้วก็สอนกรรมฐานตามบัญชาของพระบุธรเจ้าให้กรรมฐานแต่โดยย่อเนน<ม>ผู้นั้นเมื่อได้รับกรรมฐานแล้วก็เข้าใจได้โดยง่ายมีความยินดีได้โดยง่ายศรัทธาโดยง่ายปฏิบัติ บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ในคืนนั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงบรร ล, ลุธรรมในคืนวิสาขมาศบรมีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในอาการในเวลาในยามปลายของคืนนั้นเช่นเดียวกันนี่เป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วหลังจากบวชเนนและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในค่าของคืนวันนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเล็งเห็นอยู่แต่แรก แล้วก็ทรงได้กําหนดรู้ควบคุมอยู่ในระยะไกลเมื่อรู้ว่าเนนบรลุเป็นพระอระหันต์แล้วจึงได้ทรงเป็นพระอระหันต์นี่ต้องเรียนว่าเป็นพระอรหันต์ที่ได้ภิญญาด้วยนะเป็นพวกอุปโตภาคาวิมุตเป็นพวกอรหันต์ฝ่ายชาลาพินโยคือได้วิชาทั้งหกประการ เมื่อได้ทรงทราบจึงได้ทรงตรัสตรัสในระยะไกลซึ่งสมณเณรขณะนี้มีความสามารถที่จะสื่อความกับพระพุทธเจ้าได้ในระยะไกลได้ทรงตรัสเรียกอาทรงประทับอยู่ในพระคันธกดีเน้นปฏิบัติอยู่ในที่ของตัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสร้องเชิญว่ามาเถิดพัทธะคือมาเถิดหมายความว่า มาหาเราเถิดเป็นการกวากมือเรียกว่าเธอสมควรที่จะมาเฝ้าเราได้แล้วเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละสำมัญเนนก็ได้ไปปรากฏยืนอยู่ในที่ใกล้ๆพระผู้มีพระภาคอย่างฉับพลันทันทีคือได้ยินเสียงเรียกของพุทธเจ้าด้วยอำนาจฤทธิ์ด้วยทิพโสตะและ เดินทางไปฟ้าบรูเตเจ้าด้วยอำนาจของฤทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่ในฉับพลันทันทีนั้นเลยทีเดียวเมื่อเสด็จไปอยู่ที่ใกล้แล้วเนี่ยถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงเรียกไปทําไมทรงเรียกไปอนโมทนาและประธานการบวชอย่างใหม่อย่างใหม่หมนี่คือหมายถึงบวชเป็นพระทั้งที่อายุเจ็ดขวบเนี่ยบวชเป็นพระได้เป็นพระโดยคุณธรรมที่ ให้สิทธิแก่พระผู้มีภาคว่าจะบวชแก่ใครให้เป็นพระภิกษุด้วยเหตุไรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระผู้มีภาคทรงตัดสินพระทัยพิจารณาได้โดยพระองค์เองได้ทรงประทานเอหีบิกุบะสัมปทาโดยอาการยื่นประหารเบื้องขวาแล้วก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเมื่อตรัสขาดพระดํารัส สภาพของสมณะ น, นั้นได้กลายเป็นพระภิกษุที่มีอาจาระประหนึ่งว่าได้ผ่านอายุพรรษามาแล้วถึงหกสิบปีทันทีเป็นการบวชหลังจากบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อคราวเป็นเนนก็คือถ้าพูดกันอย่างชัดๆก็คือจากเนน เป็นพระเนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจากปุถุชนเป็นพระอาหารหันต์ายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอายุเจ็ดขวบอยู่นั่นเองครับนี่เป็นเนนอายุเจ็ดขวบอีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเราเลยไปถึงอีกรูปหนึ่งสองร้อยี่สิบเจ็ดเมื่อกี้สองรอยี่สบใช่ไหมองค์นี้สองร้อยี่สิบเจ็ดชื่อว่าท่านโศปากะ ท่านโสปากะนี้ก็คงจะมีจุดเด่นในข้อที่ว่าท่านได้รับการบวช ด, ด้วยวิธีอย่างหนึ่งที่โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชแต่ไม่ใช่เอหิบิขุเอาเรียกว่าเป็นการบวชแบบปัญหาพยากรอุปสมบทการบวชมีหลายแบบเหมือนอย่างที่ได้ อ, อ้างถึงในเอกสารตอนท้ายของหน้าแรกหนะ้าสองที่แจ ก, กใหม่วันนี้นะ แล้วก็มีการอ้างถึงกรณีตัวอย่างของบทโดยวิธีการปัญหาพยากรอ๋อรู้สึกว่าปัญหาพยากรทำไปอยู่ในเอกสารหน้าสามที่ยังไม่ได้แจกนะครับเรื่องของท่านยกตัวอย่างกรณีพระโสกะพระโสปากะด้วย mm hmm. ก็ความอธิบายว่าท่านโศปากะเนี่ยเป็นคนที่เกิด ในสกุลของพวกสับเบลเป็นพระอรหันต์ที่มีภูมิหลังมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีสภาพเป็นอย่างสับเบลสมัยก่อนสับเบลอสมัยก่อนต้องมีบ้านอยู่ในป่าชาเดี๋ยวนี้ป่าชามาอยู่ที่วัดคนทําหน้าที่นี้ก็อาจจะมามีเอที่พักที่อาศัยอยู่ในวัดหรือที่ใกล้วัด เมื่อท่านเกิดได้สี่เดือนเนี่ยพ่อตายอาก็รับเอาไปเลี้ยงคือทาหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงอาเองนั้นมีลูกอยู่อีกคนหนึ่งเหมือนกันวัยเดียวกันแล้วก็จากการที่มีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยเด็กมันก็ทะเลาะ ก, กันเป็นธรรมดาตอนนั้นอายุได้ประมาณเจ็ดขวบเกิดไปทะเลาะ ก, กับลูกอา ปรากฏว่าอานั่งเข้าข้างลูกในนี้ไม่ได้เล่าว่าใครผิดใครถูกอย่างไรเอ่ยแต่เพียงว่าทะเลาะกันตามภาษาเด็กอาเข้าข้างลูกสำคัญว่าลูกพี่ชายหรือหลานอาเนี่ยเป็นฝ่ายผิดจึงลงโทษด้วยวิธีของคนที่อยู่กับป่าช้าอย่างหนึ่งคือศพที่ทิ้งอยู่ในปา่าช้าที่คนเอาไปทิ้งในประชาบิดิบเนี่ยตกกลางคืนจะมีไอ้พวกสุนัข มันมากินศพหรืออาจจะมีสัตว์อื่นมากินศพโดยมากที่เป็นสุนัขอาก็คิดว่าจะลงโทษหลานด้วยวิธีการให้สุนัขมันทําร้ายมันอาจจะถึงตายหรือไม่ถึงตายก็ไม่ทราบนะโดยเอาไปผูกมัดไว้กับศพที่คาดสันนิฐานว่าสุนัขมันจะมากินเป็นอาหารในตอนกลางคืน ก็เอาเด็กไปผูกมัดเด็กก็กลัวแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะเมื่อเอาไปมัดไว้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กในขณะนั้นซึ่งเป็นเรื่องของเรียกว่าบารมีเด็กคือคนเราเนี่ยความฝันก็ดีการอุทานก็ดีการละเมอก็ดี จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงสภาพจิตของคนคนนั้นอย่างเราเห็นคนตกใจเราอุทานอะไรออกมาเรากอุทานว่าคุณพ้า ช, ช่วยนี่ก็อย่างไอ้บางคนอุทานอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็คงจะเคยได้ยินกันมาทุกคนแล้วเวลาคนละเมอก็เหมือนกันคนละเมอคนอหวาบางคนละเมอละมือจะนักขึ้นมา ปนมไปที่ที่หน้าอกนะว่าคนละเมอเป็นคํามงคลเป็นคำมงคลก็หมายถึงเป็นเรื่องอิงพระอิงเจา้าเป็นเรื่องแสดงถึงความเมตตาถึงความกรุณาอย่างนี้นะและคนที่มีบารมีอย่างดีเนี่ยเวลาละเมอเนี่ยที่อเดี๋ยวนี้เราอาจจะบอกว่าจิตได้กเนื้อวันออกพูดตามภาษาต่างโลกเนี่ยนะไอ้วิชาต่างโลก ก็คือไอ้บารมีที่สั่งสมเนี่ยมันถูกมันประทุกออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือเกิดไอ้สภาวะาลุกเล้าลุมเล้าอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นความกลัวหรือท่ากําเริบทําให้ฝันทําให้เกิดการละเมอทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆแม้แต่ว่ามีเทพมาเข้าฝันไอ้พฤติการารับ พลังของเทพที่มาสังหรณ์ทำให้เข้าฝันเนี่ยก็ออกไปในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันที่สะท้อนถึงภูมิจิตของบุคคลคนนั้นได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าเราเข้าใจตร ง, ตร ง, ตรงจุดนี้ก็พอจะมองออกนะครับแค่นี้เด็กเนี่ยเด็กที่ถูกมัดติดอยู่กระสบด้วยความกลัวในตอนนั้นตามภาษาเด็กก็ มันเป็นกลางคืนน่ครับก็หลับๆตื่นๆเด็กนั้นได้เพอ้อออกมาตอนนั้นว่าคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรปรอ่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคติของเราผู้ไม่มีคติจะเป็นอย่างไรฟังดูเหมือนจะากลกันนะคติของเราคือที่ไปของเรา ไอ้คติแรกนะ่คือที่ไปอาจจะไปไหนก็ไม่ทราบตอนเนี้ยคล้ายๆว่ากำลังจะตายในคติเราจะเป็นยังไงที่ไปเราจะเป็นยังไงจุดจบเราจะเป็นยังไงหรือถึงที่สุดเราจะเป็นยังไงคำว่าคติหลังคือผู้ไม่มีคติหมายถึงการเวียนว่ายแต่เกิดรีเด็กพูดออกมาอย่างไม่ได้ถือเอาความก็เลยว่าพูดออกมาด้วยอำนาจของบารมีบรดาล และต่อไปว่าเผ่าพันธุ์ของเราผู้ไม่มีเผ่าพันธ์จะเป็นอย่างไรคําว่าเผ่าพันธุ์เนี่ยหมายถึงเผ่าพันธ์ของก็คือโคดนะโคดโคตปุตุชนเวลาไปเกิดใน ก, กติใดจะมีโคตมีเผ่าพันธ์ท่านเองเมื่อจะถ้ายังไม่ตายก็จะมีเผ่าพันธุ์เป็นเผ่าพันธ์ของพระริยะ เป็นโคดอริยะไม่ใช่โคโบติชนและถ้าไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยโคดทางสายเลือดเผ่าพันธ์ทางสายเลือดเจนว่าอาริยกะก็ดีมีลักขะก็ดีหรือเป็นเทวดาพวกเหล่าอาศูนก็ดีเป็นเทวดาพวกเหล่านูน้นเหล่านี้ก็ดีขันทภะ ก, ก็ดีเป็นเผ่าพันธุ์บนนูน้นคำพูดในลักษณะที่ ฟังดูขัดขัดกันเหมือนกะกะติท่านก็กล่าวขึ้นเรื่องหน้าของบารมีอย่างนี้และสุดท้ายกล่าวว่าใครจะเป็นผู้ให้อภัยแก่เราผู้ถูกผูกอยู่ในป่าในท่ามกลางปราช้าอย่างนี้คำว่าผู้ให้อภัยเนี่ยคือทำให้ตัวเองเป็นผู้พ้นจากภัยในขณะนี้แต่ภาษาของบารมีเนี่ยหมายถึงภัยในสังสารวัตรด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่ภัยคือการถูกลงโทษมัดติดอยู่กบับศพนี่เมื่อท่านเพอ้ออุทานออกมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ทรงอยู่โดยธรรมดาแผ่ขายพระยานรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์วันไหนเวลาไหนจะเกิดขึ้นอะไรกระไกลที่ไหนอย่างไรทรงรอโอกาสรอจังหวะนี้อยู่จึงได้ทรงแผ่โอภาษ คือหมายถึงฉายพระองค์ออกไปด้วยอำนาจของสมาธิจิตให้ไปปรากฏแก่เด็กคนนี้และได้ทรงตรัสเหมือนอย่างพระองค์เสด็จไปเองว่ามาเถิดโสปากะอย่ากลัวจงแลดูตถาคตเราจักยังเธอให้ข้ามพ้นไปดุจพระจันทร์ที่ข้ามพ้นไปจาก สิ่งเศร้าหมองที่เข้ามาบดบังการได้ทรงไปปรากฏให้เห็นและตลัดด้วยถ้อยคำให้ความอบอุ่นอย่างนี้ก็เรียกว่าขวัญกำลังใจปรากฏศรัทธาปรากฏความอุ่นใจปรากฏพระผู้มีพระภาคจึงทรงสืบต่อด้วยการแสดงธรรมเทศนาเมื่อได้ทรงสแสดงธรรมเทศนาจบ โสปากะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเราถ้าลงนึกดูดนี่นะครับบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งที่ยังถูกมัดติดอยู่เมื่อบรรลุเป็นโสดาบันแล้วอันธนาการลุดเจ้าว่าหลุดด้วยอนุภาพของโสดาหรือหลุดด้วยอำนาจของพุทธานุภาพหรือหลุดด้วยอำนาจของเทวานุภาพก็อาจจะเป็นได้ดังนั้น แต่โดยรวบยอดก็คือหลุดด้วยอนุภาพของธรรมไอ้ยืนพอหลุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเสด็จมาจริงพระผู้มีภาคประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีเด็กบรรลุเป็นโสดาบันพันธนาการหลุดพอหลุดแล้วตัวลอยไปอยู่ที่หน้าพระคันธกุฎีเป็นอย่างอัศจรรย์เหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกวงการผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้อีกแล้วสำหรับพวกเราที่คุ้นเคยกับอนุภาพของการปฏิบัติจะเป็นโสดาหรือไม่โสดาอย่างไรก็ตามแต่ผลมันเกิดขึ้นลักษณะสัจ่านี้คล้ายๆว่าถูกดึงหรือถ้าดึงเนหมายถึงเราอ้างพุทธานุภาพถูกดันถูกผลักไปด้วยอำนาจของอนุภาพแห่งธรรมของตนเองก็ได้ไปปรากฏอยู่เฉพาะพระพักรพระภูมิวิภาชถึงกุติ คืออาวะไปอยู่พุทธเจ้าแล้วตอนนี้นะครับข้างฝ่ายผู้เป็นแม่พอตกเย็นเข้าก็ไม่ลูกไม่กลับบ้านก็ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนไปเที่ยวตามหานะอาเองก็ไม่กล้า บ, บอกว่าเอาลูกชายของเธอไปมัดลงโซ่ติดไว้กระสบก็พูดปฏิเสธโดยประการต่างๆตามภาษาคนทำาความผิด สิ่งที่ทำได้ง่ายสำหรับคนทําความบิดก็คือโกหกเป็นความจาเป็นเป็นอุบายอย่างคนทําความผิดทั้งหลายชอบและรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้เป็นสารณะได้เป็นเครื่องปกป้องที่ดีคือการโกหกแม่ก็ไปเที่ยวตามหาหาที่เรียกว่าทั่วป่าช้าแต่ไม่ถึงกับไปเที่ยวเปิดโงรงศพสมัยก่อนคงไม่มีโรง ดูฝักไปหมดเลนึกว่าเอ๊สัตว์มันเอาไปกัดไปกินไปตกน้ําตกท่าตกหูต ก, ตกเอวที่ไหนตายหรือเปล่าก็มันนึกว่ามีคนหนึ่งที่น่าจะรู้เพราะใครใครมีปัญหาอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็จะไปถามท่านคือพระพุทธเจ้านางก็เลยไปฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าทรง นั่งทางในดูตามภาษาพูดอย่างในนี้นะดูว่าลูกไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเราเดี๋ยนี้เวลาคนหายเนี่ยเรามักจะไปพึ่งพวกเข้าทรงเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพึ่งไว้ก่อนให้ข้าทรงดูว่าภรรยาที่หายไปอยู่ไหนข้าวของเงินทองที่หายไปอยู่ไหนอย่างน้อยก็หาเป็นเบาแสหวแล้วขนาดไอ้ที่เขาฆ่ากันตาย ที่เป็นข่าวใหญ่โตที่ถึงจุดจบไปแล้วเนี่ยรายการวิทยุถึงขนาดเชิญเอาคนทรงไปไปพูดใช่นะคือไอ้โทรศัพท์พูดกันนะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของของข้อมูลไม่ได้เอาจริงเอาจังคือพอพูดแล้วก็ต้องถ้าเป็นทีวีก็เป็นความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านฟังแล้วโปรดใช้ปัญญาพิจารณาน้องอย่างนี้นะ จะได้ไม่ไม่รู้สึกว่าไอ้คนดำเนินรายการเนี่ยเชื่อเข้าไปอย่างงมงายแล้วผมยังเคยพูดเป็นส่วนตัวกับบคลแหมข้อความตัวนี้น่าจะเอามาวิ่งวิ่งตอนโฆษณาสินค้าตอนนักการเมืองพูด น, นะนะท่านโปรดฟังผู้นี้พูดโดยใช้ ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะเชื่อเอะไรนะแต่ไม่หรอกเกยวมาใช้กับพวกนี้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหลักสัมมาทิฐิเหนือธรรมดาหน่อยก็ดิงก็ขั้นต้นอนะเรื่องชาตินี้ชาติหน้าพิสรารเทวดากลัวจะเสียหน้า ก, นก็เป็นอันว่านางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึ่งพระพุทธเจ้าทรงรูแ้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์งี้แล้วก็ทรงใช้วิธีอย่างที่ทรงใช้กับประยชน์กับพ่อประโยชน์ย้ำได้ไหม พ่อพยศไปฟังธรรมบรรลุเป็นโสดาบานันพ่อตามหาและที่พ่อไปตามหาเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญโดยมีรองเท้าทองเป็นสื่อบอกว่าลูกน่าจะอยู่ตรงนี้แต่นี่น่ะนางไปเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะโดยบังเอิญเหมือนอย่างพ่อพยศพระผู้มีพระภาค ทรงประทับอยู่กับลูกของนางแล้วก็ทรงเห็นว่าถ้าให้เห็นลูกก่อนนิวรนจะปรากฏนิวรนจะเข้ามาปกปิดคือความโสมนัสเนี่ยความดีใจเกิดขึ้นจนกระทั่งไอ้คนเราในเวลามันเราลองคิดดูดีนะ สมมติว่าคนหนึ่งเขาไม่สนใจธรรมะไม่คิดจะสนใจธรรมะเขาชอบเรื่องเงินทองทองสมมติเขาเขาเขาชอบเล่นหวยแล้วก็ไปแทงหวยถูกรางวัลที่หนึ่งไอเราจะพอถูกรางวัลที่นึงบอกไปฟังธรรมะสิเขาก็อาจจะไม่สนใจคือไอความดีใจมันอาจจะเข้ามาปัดศรัทธาอะไรแต่ถ้าบอกว่าเออคุณอยากถูวหวยคุณนั่งฟังใจเย็น ฟังธรรมะก่อนแล้วคุณจะถูกหวยรางวัล น, นิดหนึ่งได้ถ้าอย่างนี้คนคนฟังด้วยความหวังพอพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้กรณีลักษณะอย่างนี้ท่านมักจะปกปิดแม้สิ่งที่เป็นข่าวดีแก่ผู้นั้นก่อนเพื่อแล้วก็ทรงให้ความหวังนะให้ความหวังว่าถ้าฟังได้ดีเราจะบอกคล้ายๆพระจะใบ้หวยไงนะงฟังได้ดี ก็เงี่ยโ ส, สดดับตอนนั้นใจเป็นกลางเป็นกลางคือหนึ่งพระรับรองว่าถ้าฟังจะได้พบลูกแต่ถ้าหากว่าพระพูดหมายบอกโยมนั่งฟังอหลูกจะเป็นยปลาจะตายเลยองโยมโยมก็ไม่มีกระใจฟังใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าให้ความหวังและยังไม่สมหวังเนี่ยใจจะเกิดภาวะไม่ใช่โทมนัสแล้วก็ไม่ใช่โสมนัสรุนแรง ถึงขั้นขัดขวางสิทีเดียวพระพุทธเจ้าเมื่อทรงตะล่อมจิตใจให้อยู่ในภาวะเป็นกลางแสดงธรรมจบซึ่งขณะนั้นทั้งแม่ทั้งลูกฟังอยู่ด้วยกันแม่บรรลุเป็นโสดาบันลูกบรรลุเป็นพระละหันเหมือนประโยชน์อะครับพ่อเป็นโสดาบันลูกเป็นพระละหันเพอเป็นโสดาบันมาแล้ว เป็นมาจากที่ป่าชาแล้วคือต่างกับพยศก็ตรงที่ว่าพยศเนี่ยฟังสดๆเลยบรรลุในที่เดียวกันระหว่างโสดากับอหรหันต์แต่ว่าโสปากะเนี่ยเป็นโสดาบันในป่าชาอยู่ในพันธนาการติดอยู่กับศพฟังธรรมะจากพุทธนิมิตและมาเป็นพ้าหลานอีกที่หนึ่งด้วยการฟังสดพร้อมกับแม่ของตน เมื่อแม่เป็นสโสดาบานลูกเป็นพระอรหันต์เจ็ดขวบนะอย่าลืมตอนนั้นยังเจ็ดขวบอยู่พระผู้มีภาคก็ทรงคลายลิศลิศบังตาพอคลายลิศแม่ก็เห็นลูกส่วนลูกนะเห็นอยู่แล้วแล้วลูกรู้ว่าควรจะทําอย่างไรอันนี้เป็นธรรมดาของคนมีธรรมะเนี่ยนะเขาจะรู้ว่า ไม่ใช่ลูกเจ็ดขวบธรรมดาถ้าไ ม, ไ, มไม่ได้เป็นส อ, อนตอนพอเห็นแม่ก็อาจจะวิ่งโผก็ไปหาแม่แล้วใช่ไห่ใช่แต่นี่รู้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสอะไรอยู่มีความหมายเป็นอย่างไรรู้ความหมายที่ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำโดยโครงได้ด้วยคนมีธรรมะสูงๆเป็นยางไงกาลันยูตามีอัถถันยูตามีธรรมัญยูตามีแม้จะเห็นแม่ ก็ไม่ทำอะไรให้เสียจังหวะเสียโอกาสที่แม่จะพึ่งพอได้เห็นลูกนางก็ดีใจเป็นธรรมดาแม่เป็นโสดาลูกเป็นพระอาหารหันต์พระผู้พอพอนางได้เห็นลูกเช่นนี้พระผู้มีพระภาคทรงก็ตรัสอย่างตรัสกับพ่อไปกับพ่อไปยศว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะต้องบวช แม่เองก็เป็นโสดาบันแล้วก็ดีใจไม่คิดจะลูกกลับบ้านก็เลยอนุโมทนาสาธุการก็ไป น, นั่นว่าพระผู้มีพระภาคทรงประธานอุปสมบทให้กับสมมาเนตผู้นี้การประทานอุปสมบทให้กับสมมาเนตผู้นี้ไม่ใช่เอหีพิคูประสมมธาคือยังไม่ได้ประทานตอนแม่อยู่นะแม่กลับไปก่อน ทรงประธานให้โดยวิธีการตั้งปัญหาสิบคำถามให้สมมเณีตอบสมมเณีก็ตอบตอบได้ทุกปัญหาเช่นถามว่าเอกังนามกิ่งอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งนี่ก็เป็นคำถามถามนึ่งนิพานเณรก็ตอบว่านิพานชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นรถเดียวเหมือนกันโดยประการทั้งปวงกับในทุกๆคน มักถึงจะเป็นเอกายามักนะหมายถึงอโดยวิธีการโดยหลักการแต่โดยคุณสมบัติของมักแล้วไม่เหมือนกันโดยประการต่างปวงัวมักบางคนยิ่งโดยศรัทธายิ่งโดยวิยะเป็นต้นนี้นะแล้วก็ยิ่งโดยที่มาจากวิปัสสนาแบบต่างๆกันแต่พอไปถึงนิพพานแล้วเป็นเอกรสรสเดียวกันหมดจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่มีความเป็นเอกภาพแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นตคือตรงนี้ เมื่อได้ตอบได้พระผู้มีพระภาคก็ได้ส่งอนุญาตการบวชให้ก็เป็นสมณีนที่บวชโดยวิธีการอย่างนี้ซึ่งการบวชอย่างนี้ไม่มากเท่ากับเอฮิพิกูพระสัมพทาก็เป็ น, นั้นบวชไปแล้วนะครับสมณีนี้มีบารมีเก่ามากเคยบวชเป็นดาบทมาแล้วเจ็นในสมัยพระพุทธสิทธัตถะ เป็นต้นแล้วก็เคยได้ทำบารมีทางกรรมฐานมาด้วยอนิจจตาอนิจจานุปัสสนากรรมฐานอีกองคหนึ่งครับองค์ถัดไปมีชื่อว่าองค์ถัดไปนี่คือองที่สองร้อยยี่สิบแปดนะครับสองรอยยี่สิบแปดชื่อว่าสรพังคะ แลพรภังค่าในแปลว่าพระผู้หักต้นแขมคืออที่มาได้ชื่ออย่างนี้นะเพราะว่าตัวท่านเองก่อนที่จะมาบวชพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยบวชเป็นดาบวบดมาก่อนใช้ชีวิตอยู่ในป่าเรืองนาจเนกรรมะบา ร, รมีที่สังสมมาอย่างดีเกิดเป็นลูกคลามชาวเมืองมคตครับพอโตขึ้นก็ได้ไปบวช ด้วยอำนาจของบา ร, รมีนะครับไปสร้างอาสมบรรณาศาลาอยู่ในป่าแล้วก็บรณาศารานะั้นก็ใช้ไม้แขมหักหั ก, หกมาปรุงกันขึ้นเป็นบรรณาศาลาแล้วก็อยู่ที่นั่นซึ่งอายุของบรรณาศาลาอย่างนี้ค่อนข้างจะมีอายุจํากัดเพราะเป็นไม้ที่ไม่ได้คงทนถาวนลอย<ม>ในขณะที่ตารพังค้ดาบทใช้ชีวิต เป็นดาบทอยู่ในป่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคนั้นทรงแผ่ขายพระยานอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่าคนมีบรารมีเนี่ยจะไปซุกซ่อนไปเล่นอยู่ที่ไหนก็ตามไม่พ้นพระยานของพระพุทธเจ้าไปได้โดยที่ผู้มีสัตว์มีมีบรารมีเนี่ยไม่ต้องแผ่ขายไปหาใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรียกว่ามีบรารมีเป็นหัวขติเนี่ยนะ อยู่เฉยๆครับราชรถคือธรรมะวิ่งมาเกยเองอาจารย์วิ่งมาหาเองคนมีบารมีมากไม่ต้องพยายามแต่ว่าถ้าคนมีบารมีน้อยมีบารมีน้อยก็ต้องพยายามพระพุทธเจ้าถึงจะเอาด้วยไม่พยายามแล้วท่านก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหมือนท่านเป็นผู้ตอบสนอง เป็นผู้ตอบสนองบารมีความดีของคนคนที่มีมีความดีสำเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปเกื้อกูลเต็มที่เรียกว่าไปข้อประตูถึงหน้าบ้านแต่คนมีบารมีน้อยเนี่ยตัวเองต้องทำอะไรดีๆปัจจุบนันเองจึงจะทรงอนุเคราะห์ตามสมควรอันนี้ท่านคิดขยายความเอาแต่นะฮะว่ามันไม่ผิดไปจาก ธรรมดาของการอนุเคราะห์กันในสังคมในเรื่องต่างๆสมัยนี้เลยเพราะพระพุทธเจ้ามิใช่เป็นผู้บันดาลพระผู้มีภาคทรงแขกแผ่ข่ายพระยานไปเห็นอุปนิสัยอรหันต์ก็หมายเพราะว่าเวลาที่ทรงแผ่ขายพระยานเนีใครมาติดขายเนี่ยก็ทรงรู้และ ว, ว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงอรหันต์เนี่ยติดพับเนรู้ทันทีว่าคนนี้อรหันต์คนนี้อนาคาคนนี้สกัดทาคาคนนี้สโสดา ถ้าเป็นอรหรนันนี่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่จะต้องรีบทำอย่างกระตือรือร้นเลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยกําลังบุญวาสนาของสัตว์ผู้นั้นจึงได้ทรงสเสด็จไปโปรดถึงที่ถึงบารรณาลาของท่านเลยทีเดียวแล้วก็ได้ไปแสดงธรรมคือธรรมดาคนมีบารมีเนี่ย บางพวกเห็นทีแรกก็ยังไม่ศรัทธาบางพวกไม่แค่ไม่ศรัทธายังไม่ชอบเลยครับบางพวกนะอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยแปลกปลอมที่มันผสมเข้ามากบบระบาลมีถ้าเป็นพระพุทธเจ้ทาท่านคงไปฟังเสียงไม่ไปย่นยอกสิ่งเหล่านี้รู้ว่าเออคนนี้เขามีกิเลสตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่บางคนเนะี่ยเห็นปั๊บในศรัทธาทันที ดาบทผู้นี้เห็นพระผู้มีภาคแล้วศรัทธาทันทีไม่เหมือนกับเจดินสามพี่น้องจะดินสามพี่น้องนั้นเห็นแล้วไม่ถึงก็ไม่มีศรัทธาแต่ศรัทธาไม่หมดหัวใจมีเล่มีมีมานะมีเล่เข้ามาบรุงแต่งเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันแต่ดาบคนนี้ไม่มีเล่ศรัทธาและไม่เล่ นับว่ามีความพร้อมสูงที่จะรับธรรมคือไม่ต้องไม่ต้องปรับพื้นฐานในเ<ม>บื้องต้นกันมากมก็จึงได้ฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงเลยบวชเลยขอบวชพระผู้มีภาคก็ได้ทรงประธานอนุญาตบวชให้ก็เอฮีพิกูประสมัมมตาบวชแล้วก็ไม่นานบรรลุเป็นพระราหานชีวิตการบรรลุธรรมของท่านไม่มีอะไร รุนแรงหน้าตื่นเต้นเมื่อบรรลุเป็นพระหลานแล้วท่านก็คล้ายกับท่านัญญาโกทัญญาคือชอบอยู่ป่าอบางองค์เนี่ยบรรลุที่หนึ่งแล้วก็ย้ายย้ายสถานที่ย้ายสัมโนโครัวไปอยู่ที่อื่นบางองค์บรรลุที่ไหนแล้วก็ย้ายอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลของท่านนะครับเหมือนอย่างกรณีพระกวรมปติองค์นี้ก็เหมือนกันท่านก็เลยปากหลักอยู่ที่นั่นแหละ อยู่ที่เดิมด้วยคุณธรรมใหม่และภาวะของเพศนักบวชใหม่ทีนี้ท่านกุฏิที่ท่านอยู่เนี่ยก็อยังอยู่กุฏิเก่าที่ทำด้วยไม้แข็มทีนี้มันก็เกิดมีปัญหาว่าธรรมดาพระเนี่ยยิ่ัในห้ามพระตัดต้นไม้หักกรานพูดคารพีชคามพอกุฏิโทมท่านท่านทำไง ท่านจะไปหักไม้แข็มเหมือนอย่างตอนที่เป็นดาบทอีกก็ไม่ได้คนมาเห็นกุฏิท่านพรเยรพยาบก็มาถาม่เลยก็ระโยงก็ต้องช่วยทำกุฏิให้ใหม่ก็เลยมีข้อชดเจยทางนี้ไม่ต้องไปนะทำอะไรที่กระทบกระเทือนถึงสีขาบทที่ท่านรักษาอยู่และจำเป็นต้องรักษาอันนี้เลยมาถึงองค์ที่สองรอยี่บเกา องที่สองร้อยยี่สิบเก้าเราเห็นชื่อพับไม่มีใครไม่รู้จักท่านเลยรู้จักชื่อได้ยินชื่อท่านทุกคนคือท่านมหากัจจายนะในพระไตรปิฎกจะเรียกว่ามหากัจจานะกัจจานะกัจจานาเนี่ยกัจจานะเป็นชื่อแปลว่าทองอนะมีภิกษุณีชื่อกัจจานาก็าเพราะว่า มีผิวงดงามเหมือนทองท่านกัจจายนะหรือกัจจานะก็มีผิวงดงามอย่างนั้นท่านกัจจานะหรือท่านมหากัจจานะเนี่ยเราก็คงจะไม่ลืมว่าท่านเป็นเอตทัคคะทางด้านการขยายธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแต่โดยย่อให้พิสดานใครที่ฟังธรรมาพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจในเรื่องอะไรและไม่มีโอกาส รูนถามพระผู้มีพระภาคก็จะนึกถึงท่านก็จะพากันไปหาท่านท่านก็จะตอบตอบเสร็จแล้วพระก็จะไปไ ป, ไปสอบทานที่พุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะทรงรับรองว่าถถามเราเราก็ขยายความอย่างนั้นทําำเรียกว่าประทับตรารับรองคําของพระมหากกจายนะให้กลายเป็นพุทธพจน์ไปด้วยอาการอย่างนี้ แล้วจากอดีตประวัติของท่านเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าไอ้ประเพณีเรื่องการปิดทองพระเกิดน่าจะเกิดขึ้นจากท่านนี่แหละครับเป็นที่มาสำคัญปิดทองระในไหมปิดทองพระพุทธรูปปิดทองรอยพระพุทธบาทจุงกระทั่ทงเดือนที่มีปิดทองศพพระใช่ไม่ใช่อ่านข่าวเปล่าผมไม่ได้อ่านนะเห็นเห็นแต่นในรูปนะเอามือสือดื่ หน้าทั้งหน้าทั้งอะไ ร, ระกลายเป็นพระไปเลยไปเป็นทองไปเลยเหมือนพระพุทธรูปอ่ะนะไม่รู้ทีเท้าที่อื่นๆปิดด้วยหรือเปล่านะเพราะนั้นทำเนียมเรื่องการปิดทองพระเนี่ยเกิดขึ้นน่าจะมีเข้ามาจากท่านองค์นี้จากบุพกรรมที่ท่านได้ทำไว้ถ้าผมก็จะเล่าบุพกรรมซะก่อนก็ได้ว่าท่านได้ทำไว้เมื่ อ, อไรอย่างไร คือในสมัยพระพุทธกัสปะท่านเกิดเป็นชาวเมืองพาราณสีเมื่อพระพุทธมีพภาคปรินิพานแล้วแต่ว่าศาสนายังอยู่ท่านได้ทำบูชาไปกราบไหว้บูชาเจดียของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยการนำเอาแผ่นทองเนี่ยครับไปเป็นเครื่องประกอบในการทำอัปปจายนกรรมทีนี้ แผ่นทองที่เอาไปบูชาด้วยการปิดทองก็ดีหรือเอาไปอย่างยางเจดีย์เจดียด์ทองที่เอาอย่างเจดีย์เจวีระกองนะั้นนะนั่นเป็นแผ่นทองเลยเอาไปไปปะคล้ายๆเป็นกระเบื้องโมเสสแล้วก็มีมีตะปูร้อยเอากล้องไปส่องดูเห็นเป็นแผ่นๆแผ่ น, ผ น, ผนนะหนา้านาและอย่างงี้ก็เพื่อความทนเป็นถาวรวัตถุมากขึ้น ถ้าเอาไปปิดก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งต่สภาพความทนทานอาจจะน้อยหน่อยต้องเป็นของที่อยู่ในที่ที่ไม่โดนแดดโดนฝนนั้นนั่นก็ได้อา น, นิสงตรงนี้หละครับที่ทำให้ท่านมีสรีระเป็นทองแล้วก็ในในประวัติตรงนี้ระบุว่าท่านปรารถนาด้วยนะครับปรารถนาว่าขอให้มีผิวพันธ์ดังทองที่เอามาเป็นเครื่องประกอบในการบูชา พระเจดีของพระผู้มีพระภาคนี้ท่านก็สมปรารถนามีผิวพรรณเป็นทองพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ทองแปลเป็นอย่างเราก็เรียกว่าทองอะไรครับถ้าเป็นคำทางเหนือก็เรียกว่าคาคำของทางเราก็ทองหรือทองคำท่านเองเนี่ยเป็นลูกของปุโรหิตของพระเจ้ากรุงอูเชนีแควนอวันตี พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้คือพระเจ้าจันทประโชรที่เราเคยได้ยินว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้ทรงโทศาสจริตมากถึงทื่ว่าชื่อว่าจันทประโปรดเป็นคนที่มีบุญมากตั้งแต่เกิดคนหนึ่งเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพ่อเสียชีวิตก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตแล้วก็ได้ชื่อว่ากัจจายนะบุโรหิตกระทั่งอยู่มาอยู่มาเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคได้อุบัติเกิดขึ้นรงประทับอยู่ที่ เมืองมคตรพระผู้พระเจ้าจันตปัดโชดได้ทราบข่าวว่าพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรัธนาให้มาโปรโดอยากจะได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้แต่งทูตโดยส่งท่านปุโรหิตกัจจยนะนี่แหละพร้อมด้วยบริวารอีกแปดท่านเป็นคณะทูต ไปอันเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสด็จมายังแคว้นอวันตีด้วยกราบทูลว่าพระเจ้าจันทปัดโชษปราถนาจะไหว้พระบาทและปราถนาจะได้ฟังพระสัทธรรมจากพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยได้เสด็จไปโปรดพระเจ้าจันทปัตปัดโชษและเจ้าเมืองอวันตี พระผู้มีพระภาคนะทรงรู้รู้ว่าคนที่จะเป็นกำลังหรือเป็นที่ยึดแทงศรัทธาของบุคคลได้ดีก็คือตัวเธอนั่ น, นแหละคือตัวเธอ น, นั้นก็หมายความว่าก็คือท่านกัจจยนะนี่แหละซึ่ง ตอนที่ทรงตรัสว่าตัวเธอนี่แหละควรจะกลับไปนะตอนนั้นบวชแล้วเพราะว่าเมื่อม า, มาด้วยภารกิจของพระเจ้าบผ่นดินมาฝ้าพุทธเจา้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้ฟังธรรมก่อนก่อนที่จะทูลถึงวัตถุประสงค์ในการมาฟังธรรมเสร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดทั้งคณะทรงประทานเอหีพิกูพระสมธาเสร็จแล้วก็จะทูลลากลับนะ่ะ ก, ก็จะต้องกลับมาเนี่ยก็ฟูนอรัตนาข่าวเรื่องของพระเจ้าบผนดินตามมาที่หลังพระผู้เมียภาคจึงตัดว่าเธอนั่นแหละจงไปเมื่อเธอกลับไปแล้วพระราชาจะทรงเลื่อมใสและชาวอาวันตีทั้งหลายจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจะประฏิสถานในอวันตีชนบทด้วยพวกเธอนี่แหละก็ส่งกลับไปไม่ทรงถือเอาภาระต้องเสด็จไปเอง ก็ทรงรู้ว่าชาวอาวันตีเนี่ยควรจะเป็นเวไนยของท่านมหากัเจ ย, ยนะจึงได้พากันจาลิกกลับไปสู่เมืองอวันตีแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็จริงอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทุกอย่างพระราชาทรงเลื่อมใสแต่แรกทีเดียว กรนี้ในประวัติของท่านเมื่อกลับไปถึงอวันตรีมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มันอาจจะธรรมดาหรือเราได้ยินได้ฟังมาในสมัยนี้อยู่บ้างแต่นี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจเพราะาเป็นเรื่องในทางหลักฐานกล่าวคือว่าเมื่อพระเจ้าจันตปัดโชตมีความเลื่อมใสเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระริยาบุคคล ก็ไมาได้หมายว่าเขาจะทอดทิ้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องศีลปราทปรามาสหรือเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องความไม่ถูกต้องเนี่ยได้หมดก็มันก็จะออกมาเป็นลักษณะที่เมื่อรับาศาบสน า, าก็ไปกลมกลืนกับเรื่องอื่นทีนี้ไปกลมกลืนบางทีถ้าคนที่รับศาสนาเข้ามารับมาอย่างขั้นลึกซึ้งความกลมกลืนนั่นจะกลมกลืนในลักษณะที่เหมาะเจาะและสิ่งที่เป็นของเก่าเข้ามากลมกลืนกับาศาสนาไม่เป็นตัวทําลาย ความเป็นธรรมะของศาสนาอีกอย่างหนึ่งคือกลมกลืนในลักษณะที่ตัวเองได้ธรรมะน้อยก็กลมกลืนกับสิ่งผิดได้มากเพราะฉะนั้นคนบางคนอาจจะเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็อาจจะเชื่ออะไรทีม่มันเป็นเรื่องผิดผิดมันเข้ากับศาสนาไม่ได้ยางเอกสารที่มีคนส่งให้ผมมาอ่านเนี่ยผมก็ยังนึกแปลกใจไว้ให้คนนี้เขาเริ่มใส่ธรรมะแต่ทำไมเขาไปเชื่อเรื่องพวกนี้ได้มันเข้ากันไม่ได้เลยนะ ผมผมไม่เล่าแล้วว่าเป็นใครยังไงและเรื่องอะไรแต่มันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าไอเราเองเนี่ยเราถึงมีอะไรที่จะมากจะน้อยว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นพฤติกรรมไม่ถูกต้องที่มาปะปนผสมกับธรรมะที่เราได้เข้าไปนั้นถ้าธรรมะได้เข้าไปมากไอสิ่งผิดก็จะเหลือน้อยและทาธรรมะเข้าไปได้อย่างเต็มที่ก็จะกลมกลืนกับ อะไรที่เป็นของเก่าๆที่ไม่แสลงธรรมะไม่สวนทางกับธรรมะเลยเพราะฉะนั้นความเป็นพระอาหารหันต์ความเป็นโสตบันเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานภูมิหลังของชีวิตของท่านเหล่านั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เข้ามาผสมก็คือธรรมะของพระพุทธศาสนาที่ไม่ว่า ภูมิหลังจะแตกต่างกอย่างไรก็ไม่ทำให้คนตำหนิได้ว่าคนมีธรรมะแล้วทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงเชื่ออย่างนี้ตำหนิไม่ได้อ้าวทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพื่อจะบอกอะไรคือตัวอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านพระเจ้าปัญจบัติบัตโชติซึ่งอยู่ในอุเชนีถึงถือว่า เป็นแดนดินถิ่นไกลศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเองซึ่งอยู่ใกล้คิดบูชาเจ้ายังเชื่ออะไรไปแปลกๆทาอะไรไปแปลกๆที่ไม่ถูกต้องก็ธรรมะธรรมะรับไม่ได้ทั้งที่ตัวเองก็ภรรยายก็ใกล้คิดธรรมะตัวเองก็เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างมากเจ้าบ้านชาเมืองเป็นอันมากก็เป็นอริยะกันมากแต่ท่านก็ยังเชื่ออะไรไปแปลกๆทาอะไรไปแปลกๆ และปพระพุทธเจ้าต้องแก้ให้บ่อยๆพระเจ้าจันทปัติโทนั้นได้ทรงกระทาความผิดบางสิ่งบางอย่างเช่นตัดสินคดีความอย่างผิดๆ ด, ด้วยเชื่อข้อมูลผิดๆจากคณะผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นพวกพราหมณ์แล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างผิดๆ ตามที่พวกพราหมณ์เขาเชื่อเขาเสนอให้ทำท่านก็ทำคราวนี้เรื่องนี้นะ่ะไม่พ้นสายตาของท่านมหากัเจยนะท่านเห็นว่าพระเจ้าบดินทร์ทำไม่ถูกท่านก็เลยใช้วิธีการสอนแบบหนึ่งี่ฟังให้ดีนะครับใครจะเผื่อจะลองเอาไปใช้แต่คนจะใช้ได้นี่เห็นจะไม่ธรรมดาคือ พระในอยู่ที่หนึ่งพระราชาอยู่ในวังในเวลากลางคืนท่านสอนด้ดยวิธีการเข้าฝันนะเข้าฝันสอนในฝันอาการฝันที่เกิดขึ้นจากอำนาจเท ว, เทวดาสังหอนตรงนี้สงรอบเป็นเทวดาสังหอนหรือเทพสังห์จะเรียกว่าเทพสังห์ก็ได้เป็นวิสุทธิเทพสังห์นะไม่ใช่ อุปาทิเทศสังหรสังหอนให้ฝันเออเวลาคนฝันเนี่ยถ้าฝันด้วยท่ากําเริบเนี่ยมันจะฝันไม่ชัดฝันไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าหากว่าฝันจากเทพสังหอนจากอะไรที่เป็นเรื่องเป็นสาระอยู่ในในบุพเพเจตนาที่ชัดเจนเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็เป็นความฝันที่เหมือนจะมีสีสันวันนะเรามักจะพูดกันว่าไงนะ มีดีสันวันนะและให้ความรู้สึกท่านเองท่านก็คล้ายๆว่าบอกลงไปในความฝันเลยว่าท่านกำลังทำความผิดอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็โปรดยับยั้งเสียและขอให้มาหาเราให้มาหาอาตมาอาตมาอยู่ที่นี้ท่านก็สะดุ้งตื่นขึ้นรีบออกจากวังแต่เช้ามืดเลย เพื่อไปหาท่านมาหากรเจย น, นะ้ดยความรู้สึกก็เป็นกิดเร่งด่วนทนอยู่ปลัดปันประกรันพุ่งไม่ได้แล้วพอไปหาท่านท่านก็เลยต่อโอวาทเป็นโอวาทในภาคตื่นภาคแรกนะเป็นภาคภาคหลับภาคสองเป็นภาคตื่นโอวาทที่ท่านได้ให้นั้นยืดยาวเหลือที่จะอ่านกระหวดไหวเนี่ยครับ แต่มีผลทําให้ท่านเองนั้นกลับพุติกรรมกลับความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรหลาย ห, หลอย่างที่ยังไม่ถูกต้องดีเนี่ยให้ดีขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าละช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างนี้โดยพระเองไม่อาจที่จะไปใช้อํานาจทางบริหารอะไรได้แต่ว่าใช้อํานาจกับผู้มีอํานาจทางการบริหารได้ได้วยการนําเอาธรรมะเข้าไป ช่วยชาติได้อย่างนี้พึงว่าการสอนคนหรือการทําคนให้มีธรรมะถ้าคนนั้นเป็นคนอยู่ในที่สูงเท่าไหรและได้ธรรมะมากเท่าไรก็จะมีผลต่อคนอื่นๆที่มีอำนาจถัดรองลงไปกว่านั้นได้มากเท่านั้นนี่เป็นการช่วยโดยที่ชาวบ้านอาจจะคิดไม่ออกมองไม่เห็นไม่รู้เลยว่าใครอยู่เบื้องหลัง ใ้เบื้องหลังเนี่ยมันมีเบื้องหลังทั้งดีทั้งไม่ดีแต่เวลาเราจะไปโกรธเราจะไปชอบเนี่ยมักจะไปชอบเฉพาะเบื้องหน้าไม่นึกถึงเบื้องหลังแล้วก็ไม่เห็นคุณของสิ่งอยู่เบื้องหลังนอกจากไม่เห็นคุณแล้วบางทีเข้าใจผิดได้ครับถ้าเป็นพวกอยู่เบื้องหลังในทางทรมายบางทีเห็นเห็นผิดเป็นชอบไปได้ครับเห็นเลวเป็นเป็นดีไปได้ та? แล้วบางทีผู้อยู่เบื้องหลังดีเนี่ยเห็น ชอบเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วอย่างที่พูดพูดกันแล้วก็ในประวัติพระบางองค์ใดองค์หนึ่งข้างหน้านี่ก็จะมีเรื่องราวทำนองอย่างนี้อยู่ผมผ่านเลยไปถึงองค์ที่สองร้อยสามสิบชื่อว่าพระสิริมิตรลิสิริมิตรตาประวัดองค์นี้ไม่มีอะไรโลดโผนครับท่านเองเกิด ในตระกูลกุดุมพีมีทรัพย์สินเงินทองมากจากเมืองมคต เ, เป็นหลานลุงของท่านสิริคุตตะที่เราเคยได้ยินในธรรมบทโตขึ้นก็มาได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงทรมานช้างให้เชื่องคือช้างธนาบานบวชไม่นานก็ได้เป็นพระอาหาร์ ชีวิตท่านจบสั้นๆแค่นี้ท่านเมิตรพอมาถึงอีกองค์หนึ่งคือท่านมหาปันท ก, กะที่เป็นเอตถค้าได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางเปลี่ยนสัญญาหรื อ, อเปลี่ยนสัญญาเนี่ยคืออย่างไรหมายความว่าท่านเองเป็นคนที่ได้ถึงอรูปฌานแล้วก็เปลี่ยนอรูปฌานไปต่อวิปัสสนา บางทีเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปัญญานะคือเทียบกับน้องๆนั้นนะในทางสมาธิในทางฤทธิ์เลิศทางนั้นแต่ว่าของท่านเนี่ยท่านเข้าฌานตั้งแต่อารูปฌานอารูปฌานแล้วก็เปลี่ยนนั่นก็คือออกถอนจิตออกจากฌานแล้วไปต่อวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นปัญญาถึงกล่าวว่าเปลี่ยนเลิศในทางเปลี่ยนปัญญาออกกรรมฐานออกฌานแล้วก็ เข้าวิปัสนาท่านเก่งอย่างนี้ฌานเข้าวิปัสนาทีนี้ถ้าเป็นน้องชายเนี่ยได้ฌานออกจากฌานแล้วเข้าอวิญญาเปลี่ยนจากสมาธิปาติะารเป็นบาตรแก่ลิศนี่น้องชายพี่ชายออกจากฌานเป็นบาตรพ้นฌานแล้วเปลี่ยนไปเป็นวิปัสนาท่านเก่ง เพราะคนจะอรหันดีๆสมัยก่อนจะได้วิปัสสนาก็เอาฌานต่อและธรรมดาของคนจะทำอภิญญาใดๆก็จะต้องเข้าฌานแล้วก่อนสํารวมพลังจิตแล้วก็อธิษฐานพลังจิตให้เกิดความสามารถพิเศษความรู้พิเศษน้องชายท่านเก่งอย่างนี้ท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยผมเกือบจะไม่ต้องพูดถึงแล้วอยากจะพูดตัดตอนมาถึงว่าเมื่อท่านมาอยู่กระตา คือพ่อกับแม่พาไปไม่ใช่พาแล้วครับไปไปมีลูกก็ลูกจางในบ้านสองคนในที่สุดทนรักลูกไม่ได้ลูกเห็นคนอื่นก็มีตามีสังคมสมัยก่อนอบอุ่นนะได้ทันเห็นตาเห็นอะไรแต่ไรแล้วคนแก่ลูกก่อนท่าจะอายุยืน เหมือนอย่งรุ่นเราสมัยก่อนเรานึกถึงถ้าใครเป็นคนอยู่ตามต่างจังหวัดอะไสมัยก่อนเนี่ยนะทันเราทันเนียนทันเรา่าในครอบครัวเราเนี่ยเราพ่อแม่เราก็มีตาเราก็ยุงยังอยู่ยายแล้วก็ยังอยู่ปู่เราก็ยังอยู่ย่าเราก็ยังอยู่แล้วเราเป็นเด็กเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจและภาคภูมิใจว่าเราได้รับความเมตตาได้รับความเอาใจใส่จากพ่อแม่จากปู่ย่า ตาและยายรวมทั้งพี่ๆน้องๆของพ่อของแม่เราทั้งสองฝ่ายอาสมัยก่อนก็มันก็อยู่กันเป็นทั้งครอบครัวใหญ่ๆแบบจีนบราณนนะอย่างที่เห็นในหนังจีนแล้วก็อาบางทีก็ไม่ได้อยู่ในในละแวกเรือนเดียวกันแต่ก็อยู่ละแวกเดียวกันโดยมากก็ถัดไปก็เป็นบ้านใยญ่กันนั้นถัดไปทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเป็นยากของทั้งคนนี้สังคมเลยอบูนอย่างนี้ ทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยเด็กเขาอาจจะมานั่งคุยกันอย่างที่สมยเด็กเราเคยเห็น เ, เขามีมีคนหนึ่งมีตามีต า, ตายาญไม่มีคนหนึ่งแล้วก็มีย่าปู่ไม่เห็นก็รู้สึกว่าสู้ไอ้คนนั้นไม่ได้มันมีหมดนะนี่ตามภาษาเด็กอย่างสมัยนั้นทีนี้ไอ้นี่มันคล้ายๆกัน คนอื่นเขามีตัวไม่มีก็เลยลบเล้าแม่พ่ออยากจะให้พาไปพ่อเขาไม่รู้ปู่ย่าอยู่ไหนเพราะพ่อไม่ใช่คนมีตระกูลนะนะมันมาเป็นท่านในเรือนเบื้องไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่ได้ก็อยู่มีแต่แม่แหละตายังอยู่ยายยังอยู่แม่ก็ทนลูกลบเล้าไม่ได้เรื่ความเผินแกรักลูกกลัวลูกจะมีปัญหาทางจิตใจอย่างสมัยเดียวนี้นะ เป็นปมได้ยก็เลยพาไปพอตาเห็นหลานค่นทะท่านน่ะครับคนมีบุญนี่ทําไงได้นะขนาดไม่ค่อยมีบุญก็ยังรักล่ะรักเลยพอยให้อภัย ล, ลูกสาวลูกเขยแล้วก็สิ่งที่ทําให้ตาไม่ถือสาอะไรมากเพราะว่าตามาเริ่มสายพระพุทธศาสนาแล้วไปฟังธรรมะเป็นอาจีปพอหลานมาอยู่ด้วยก็เลยพาหลานคนโตไปฟังธรรมะไอ้คนเล็กยังเล็กอยู่ พาไปฟาธรรมะกระทั่งหลานคนโตฟังมาไม่ใช่ครั้งเดียวครับหลายครั้งก็ค่อยๆโตขึ้นมาเลยเลยเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชตาก็ดีใจสิตามภาษาคนเลื่อมใ ส, าสาศาสนาไม่ได้กลัวไม่ได้เสียใจดีใจก็เลยให้บวชพอท่านมหาปันถกไปบวชก็ยังไม่ได้บรรลุทันทีทีเดียวนะอันนี้ ทำเนียบเรื่องท่านไวนิดหนึ่งว่าพอท่านอาลบเล้าตาตาให้บวชแล้วก็ตอนนั้นไปบวชที่พระเวรวนเพราะว่าท่านเป็นชาวเมืองมคตนะครับเมืองราชฤกษ์เป็นหลานหลานเศรษฐีตาชื่อวัฒนะเศรษฐีเป็นชาวเมืองมคตแม่เป็นลูกเศรษฐีเพื่อได้บวชที่แรกบวชเป็นสามณีนแล้วก็ได้เล่าเรียน ฟังธรรมะเรียกว่าภาคแรกช่วงนั้นเน้นเรื่องปริยบรัยบารมีทางบรรลุไม่รวดเร็วปรุปราดเหมือนอย่างเด็กที่เป็นลูกของสัเมเบลเลอแพรลูกสัเมเบลเอตรงนี้เรื่องบารมีแต่ชนะในเรื่องวิบากแต่ก็ไม่ดีนักละครับเพราะว่าไปเกิดลําบากยากเข็ญในตอนต้นของชีวิตแต่ยังไงชาติกําเนิดก็ดีกว่าและตอนหลังก็มาดีกว่าก็จึง ได้ศึกษาเราเรียนจนทั้งมีความรู้ธรรมะมา ก, มากและได้มาบวชเมื่ออายุครบยี่สิบบวชเป็นพระเมือ่อบวชเป็นพระแล้วก็ไม่ใช่ว่าบรรลุในโดยทันทีนะคือตอนบวชเนี่ยท่านก็ทาอธิษฐานอย่างเคร่งครัดเรื่องอกํากับตัวเองกับการปฏิบัติอธิษฐานเป็นตัวกากับอธิษฐานในใช้ทั้งในทางมุ่งจุดวางไว้เป็นจุดมุ่งหมาย อ่าวใดข้าหนึ่งเนี่ยแต่คงจะไม่ใช่ที่นี่จะค่อยๆบรรยายอาจจะหบรรยายให้พวกวิทยากรวิปัสนาที่โยคูยก็ได้เป็นเรื่องๆไปเช่นว่าอธิษฐานทํากับการปฏิบัติธรรมอธิษฐานกับการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานเพื่อการปฏิบัติธรรมมันมีทั้งอธิษฐานตั้งเป็นเป้าหมายระยะไกลระยะใกล้และอธิษฐานกํากับตรงนี้ท่านหมายถึงอธิษฐานกํากับกรณีท่านกํากับว่าเดินจงกรม อ้างเงื่อนไขขึ้นมาควบคุมตัวเองอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานกํำกับที่คนต้นโพคืนตะทะลุครับพระอธิษฐานมีหลายลักษณะด้วยกันถือเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งของการปฏิบัติทำให้ได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าต้องรู้บัญญะบัญญยังด้วยคือไม่ไม่ใช่ไม่รู้บัญญะบัญญยังตัวเองอายุเก้าสิบแล้วเดินห้าเก้าหเก้าก็จะลม้ม แล้วปธิฐานควบคุมเกินกำลังก็ไม่บรรยาบรอยัญญงมันก็เป็นเป็นเป็นข้อแม้อันหนึ่งซี่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะมีข้อบัญญาบัอยังแม้แต่จะอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวบรรยาบรอยัญญงบ้างหรือเปล่าว่าจะทำได้ไม่เป็นไปได้ไม่อะไรยังไงเนี่ยนะอธิษฐานว่าจะบรรลุทำเอามักเอาผลเพื่ออะไร อย่างวีทีบัญยาบัรยังเนี่ยก็มีรายละเอียดดีก็บรร ญ, ญาบัรยังแบบไหนบางทีถึงแม้มีอธิษฐานเผื่อเผื่อนี่หมาย ว, ว่าบางทีไอ้ที่เราตั้งจิตว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราว่าไปตามคันลองเหตุผลแต่บางอย่างไอ้ข้อเท็จจริงความเป็นไปได้เนี่ยมันเหนือเหตุผลเราไม่รู้อะเพราะนั้นต้องอธิษฐานเผื่ออะไรบางอย่างที่มันนอกเหตุผลที่เราก็ใจได้ อ่ถึงจังมีเมื่อคืนยังคุยกันเรื่องนี้บางเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลประหยัดผลประโยชน์ใหญ่โตกันถึงทีสองทีสามเมื่อคืนนะะเมื่อคืนนอนทีสี่นะเนี่ยนอนทีสี่ถ้ล้มตัวลงนอนก็ยังไม่ได้นอนทันทีอ่ตื่นหกโมงไม่ใช่หกโมงสักสามโมงได้ไหมก็ก็ไม่รู้สึกเสียเพราะว่าบังเอิญมาอ ย, อยู่ๆก็ทำมะ ตรงนั้นก็เรื่องที่คุยๆกเรื่องทํานองอย่างนี้แต่ว่าผมไม่เล่าให้ฟังนะครับเอาล่ะคราวนี้ว่าถึงต่อไปเมื่อท่านทําอธิษฐานอย่างนี้ปรากฏว่าธรรมะค่อยๆเดินอธิษฐานเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าไปกำกับคืบเข้าไปทีล ะ, ละหน่อยละหน่อยละหน่อยละหน่อยธรรมะก็ค่อยๆเดินไปทีละหน่อยอธิษฐานต้องค่อยๆลุกข้อไปเรื่อยท่านก็ได้ ฌานโดยลำดับถึงอรูปฌานแล้วออกจากอารูปฌานต่อวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระอรหันต์มันมีข้อในทางหลักวิชาการอันหนึ่งนะฮะว่าคนที่ได้อรูปฌานที่สีเนี่ยถ้าไม่ชํานาญในอรูปฌานแล้วเอาอารูปฌานสี่ต่อวิปัสสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอรูปฌานสี่ละเอียดแต่ว่าถ้าคนชํานาญในรูปฌานแล้วเนี่ยต่อวิปัสสนาได้แต่ว่าคนต่อเนี่ยบางทีเขา ได้ฌานแปดแต่เวลาต่อ อ, อแค่ชันหนึ่งแล้วออกมาต่อก็ได้หรือแม้แต่เข้าสมาธิโดยไม่ต้องถึงฌานออกมาต่อก็ได้หรือบางทีเข้าจนครบฌานออกอยากา่างฌานแล้วก็ไม่เอาฌานมาพิจารกก็ได้ไปต่อเป็นแบบอื่นก็ได้แล้วแต่ใจแล้วแต่ความปรารถนาบางทีมันก็เป็นไปตามกระแสะเหตุปัจจัยที่กระจุกเข้ามาตอนนั้นทําให้ไอาจังหวะบรรลุเนี่ยเรานึกว่าออกฌานสูงสุดแล้วจะเอาต่อแล้วจะเอาบรรลุตรงนั้น แต่เอาเข้าจริงเนี่ยไอตอนบรรลุมันเกิดไม่ได้เตรียมฌานไว้ไปเห็นรูปฟังเสียงอย่างงุ้นอย่างนี้เข้าบารมีมได้จังหวะก็บรรลุวับข้ามาตอนนั้นก็ไม่ได้บรรลุโดยการเข้าฌานแบบหลัดหลัดเป็นบาดต่อวิปัสสนาไอเรื่องอย่างนี้ก็มันเป็นไปได้นะนะก็อย่าลืมว่าเราก็เคยพูด ก, กันมาแล้วว่าบางทีคนนี่ ตั้งตั้งแต่ธรรมดาตั้งเป้าหมายว่าจะทําอย่างนี้จะไปที่นี่เพื่ออย่างนี้เสร็จ แ, แล้วหารู้ไหม่วันนั้นแหละตัวเองกำลังไปนิพพานทั้งที่ไม่ได้คิดจะเอานิพพานนะนะจะไปทําความชั่วแท้ๆนะแต่กลายแทนที่จะไปคุกไปตารางไปนิพพานไอ้บางคนจะไปนิพพานแท้ๆเข้าคุกเข้าตารางไปนี่ใช่ไหมตั้งแต่ต้นเนี่ยมันยังมีผิดวัตถุประสงค์ผิดมากผิดน้อยผิดกัาบตารปัดมันเป็นไปได้ตาม ลักษณะเหตุปัจจัยแต่จะผิดยังไงก็ทำมันเข้านิพพานได้มันก็ดีทั้งนั้นแหละเมื่อเป็นพระอรหันต์ไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านกำลังเข้าวิมุตมีความสุขและก็นี่เป็นธรรมดาของคนได้ธรรมะเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันทุกคน แต่จะเป็นมากเป็นน้อยนั่นแล้วแต่มันจะไปบวกกับความปรารถนาของคนไอ้คนมีความปรารถนาในบางทีก็ไม่มีอะไรที่จะสนองความปรารถนาไอต้ตรงนี้ฟังแล้วเดี๋ยวจะงงหมายความว่าคนบางคนในอยากให้อยากจะเผยแผ่ธรรมะตัวเองก็ไม่มีธรรมะอะไรต่้งหลายนะไม่ได้ร่ำเรียนอะไรต่้งหลาแต่อยากเผยแผ่ก็อาจมีาบางคนเนี่ยมีธรรมะสูงแต่ว่าไม่ขวนขวายมากนะคือถ้ามีหมูวิ่งมาชนตอก็ก็เอา ไม่วิ่งมาชนต่อกรไม่ขวัขวายอะไรมากแตเพศจ้าเก็บตัวอย่างท่านอัญญากรันย่างเนียนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดมันเป็นการสั่งสมของอกระแสะเหตุปัจจัยเพื่อประโยชน์คนอื่นในส่วนไหนแค่ไหนยังไงแต่ว่าถ้าถามถึงความปรารถนาลึกๆในใจไอจะออกแรงเอาจริงเอาจังความปรารถนานั้นแค่ไหนในเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถามว่าเราอยากให้คนถูกรัเอาเปรียบหม คนยากคนจนพี่น้องเราไม่อยากไม่มีใครอยากถ้าคนพวกเราไ่นะแต่ถามแล้วคุณทำอะไรบ้างบอกไม่ได้ทำบอกไม่มีแรงทำให้มันให้มันสมอยากแต่บางคนเนี่ยเขาเขามีความปรารถนาแล้วพยายามทำ อ, อย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยท่านมาหาปัญโถกเมื่อมีความรู้สึกแม้ธรรมะนี่สูงสุดประเสริฐสุดเป็นสุขที่สุด บุคคลแรกที่นึกถึงไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่ตาแต่เป็นใครครับน้องพวกนี้นะวิจาร์ได้อีกอะ่ะแต่เอาว่าผมรวบลัดเลยว่าธรรมดาคนจะนึกถึงใครเพื่อประโยชน์อะไรนั้นด้วยเหตุผลทางไหนเนี่ย มันจะมีกระแสะกรรมกระแสะอะไรต่ออะไรเอาอยังง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดไปเห็นช่องทางธมากินอันหนึ่งแล้วเราก็มีใจกันนแล้วอาจจะไม่ได้นึกถึงคนที่เราเคารพที่สุดก็ได้ใช่ไหมเพราะเรารู้อันนี้ไม่เหมาะกับเขาเขาทำไม่ได้ก็ดีหรือเขาเกินที่จะมาสะแสวงหาประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราอาจจะนึกถึงคนบางคนใช่ไหมเราลื้อของมาจากตู้เก่าเสื้อผ้าเราอาจจะ อสัณหา จ, จะไม่ได้นึกถึงปลาก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องนึกถึงพระอาจจะนึกถึงใครที่มันเหมาะฉะนั้นตรงนี้เนเป็นเรื่องเหตุผลต่างๆทีนี้กรณีของท่านเนยเป็นเหตุผลทางบุญบารมีที่ทําคู่กันมาเพื่อบรรลุธรรมก็เลยเล่าเสว่าอย่างในสมัยพระปัทมุตระเนีสองท่า น, เ, นเกิดเป็นพี่น้องกันมาในสกุลคนพอจะมีฐานะเป็นกระดุมปีอนะ ก็ได้เห็นพระบุตรเจ้าทันได้เห็นพระบุตรเจ้าแล้วก็ได้ทันเห็นพระเจ้าทรงตั้งเอตทักกะก็ปรากฏว่าพี่ชายปรารถนาทําบุญรุ้นทานพอความปรารถนานั้นตัวเองชอบก็ทำมหาทานใหญ่โตต่อเนื่องกันเจ็ดวันแล้วก็ทําบุญอยู่ตลอดชีวิตน้องชายมาบวชพี่ชายไม่ได้บวชแต่ทั้งคู่ปรารถนา ความเป็นเอตทักกะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ชาตินี้ได้เป็นทั้งคู่น้องชายบวชบวชแล้วได้ฌานได้โอทาตากสินฌานที่ตําเร็จได้โอทาตากสินเป็นบารมีเก่าอันนี้ครับยืนยันว่าคนที่ทําบุญคู่กันมาเพื่อวัตถุประสงค์ในทางใดถ้าคิดจะเกื้อกูลก็จะคิดถึงคนนั้นก่อนนะฮะ หรือแม้ถ้าบางคนอาจจะไปคิดถึงคนอื่นแต่ว่าถึงยังไงคนอื่นคนนั้นก็จะมาได้ก่อนคล้ายๆเราหิวเป็นโตใช่ไหมอีกคนกิ น, นปรากฏว่าไอ้คนนั้นไม่ได้กินแล้วครับไอ้คนที่ไม่ได้คิดไว้แต่เดิมเขามาได้ประโยชน์คิดเป้าหมายทางในทางบุคคลแต่ของเรามันเป็นอย่างนี้ได้แต่พระพุทธเจ้าแล้วท่านรู้ ของเราเราบางทีไอ้เหตุไอ้ขั้นหเหตุผลขั้นความคิดเราคิดมีสิทธิคิดอย่างหนึ่งแต่ความเป็นไปได้ความจริงหลังจากของผลประโยชน์อันนี้เป็นของไกลเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมรดกเราเนี่ยบางทีเราหมายมั่นบัน้นมือว่าจะต้องคนนี้คนนี้เอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นของคนอื่นเสียชีพ พระราชาหมายมั่นปั้นพระไทยว่าพร ะ, อะโอรสองค์นี้จะได้ครองราชเอาเข้าจริงแล้วองค์อื่นองค์เล็กองค์รองมาครองราชบัลลังก์ได้จิตมีเหมือนกันทั่วโลกลักษณ ะ, ะทีนี้เมื่อท่านนึกถึงน้องชายก็ไปขออนุญาตตาขออนุญาตตา ก็อยากจะให้น้องบวชน้องตอนนั้นก็พอได้รู้จักศาสนาฟังเทศฟังธรรมมาแล้วตาเองก็เรียกว่าเป็นตาธรรมะธ ร, รมโมนะก็ว่าไม่เป็นไรบัวก็บวชก็ไปขอลาตามบวชตามพี่ไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวเดี๋ยวเล่าตอนประวัติท่านอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกัน แต่ว่าในที่สุดก็เป็นพระลาหันไปทั้งพี่ทั้งน้องนะบังเอินประวัติท่านจะต้องกล่าวถึงในองค์ที่สองร้อยสามสิบหกนะเราพูดถึงองค์ถัดไปสองร้อยสามสิบสององค์นี้ชื่อว่าภูตะชื่อว่าภูตะท่านภูตะ เกิดเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองสาเกตเมืองขึ้นของเมืองสาวัตถีก็เห็นว่าบ้านของท่านอยู่ใกล้ประตูเมืองเรานึกถึงบ้านของอนาถาบินติกาเศรษฐีนึกถึงบ้านของ อาหญิงพ่อขององคอลิมานที่เราไปเห็นมานั่นก็อยู่ใกล้ๆประตูเมืองนะครับที่อยู่ทางด้านไม่ห่างจากวัดพระเชตวันก็ด้านทางทิศตะวันทิศทีทท่ตะวันตกแต่จะอยู่ใกล้ชิดแค่ไหนยังไงเราไม่ได้ดูให้เห็นชัดเจนแต่ความชัดเจนมีอยู่แน่นอนแล้ว เอพ่อของท่านเนี่ยควาจริงมีลูกคนเดียวแต่ไม่ใช่ภรรยาไม่เคยตั้งครรภ์เคยตั้งครรภ์หลายครั้งเคยเคลอดเป็นเหล็กหลายการแล้วก็ตายเนี่ยในสมัยแบเบาะคือบางทีก็แท้งตายางทีก็ตายสมัยแบเบาะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเป็นอุทาหหนอันหนึ่ง หรือเป็นคติการเชื่อในแง่หนึ่งของทางศาสนาเนี่ยว่าคนบางคนเนี่ยเรานึกถึงว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีพ่อแม่ตายก่อนลูกบางคนเป็นงั้นนะมีสามคนตายก่อนลูกตายก่อนพ่อแม่แต่พ่อแม่ตายก่อนลูกมันธรรมดานะเป็นบุญพ่อแล้วละ่ะบุญแม่แล้วล่ะที่ลูกที่ตัวเองตายไปซะก่อนนะแต่ก็ถึงวัยอันสมควรกันแล้วกันแต่ว่าบางคนเนี่ยมีกี่คน ลูกตายหมดผมยังยังนึกสงสัยว่าจะมีใครบ้างมาถึงหลานหลานก็ตายไปก่อนแล้วตั้งเยอะเกือบหมดอย่างนี้นะก็มีบางคนไม่ใช่เพราะเข า, ายุยืนผิดปกตินะแต่มันมันมารตา ก, กรรมอะไรทีนี้บางคนลูกที่ตายก่อนตายตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆเนะี่ยสามขวบตายขวบตายแบบ่เบาตายมันเกิดจากอะไรแน่นอนนะถ้าเอาหลักใหญ่ ไม่แยกกรณีเนี่ยก็คือเกิดจากกรรมในแบบกรรมปั้นทุกดินก่อนแล้วก็กรรมในลักษณะไหนมีใครเป็นเครื่องมืออย่างไรเนี่ยเป็นกรณีละเอียดออกไปเป็นอันมากแต่ในกรณีที่กรรมแล้วมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือกรณีหนึ่งที่ผมจะละอว่าให้ฟังเกี่ยวกรณี น, นี้ก็คือว่าพ่อเนี่ยไป ทำเวรทำกรรมแล้วก็มีเจ้ากรรมนายเวรคล้ายกับเรื่องของนางกุลธิดากคยดินไหมครับนางกุลธิดากับยักษสินีมีลูกมาโดนโดนกินทำล้ายกันมาไม่ลู้กี่พบกี่ชาตินื้คู่เวรคู่กรรมที่ไม่ได้ประทุสลายตัวที่เป็นตัวบุคคลผู้เป็นคู่เวรคู่กรรมแต่ประทุสลายบางคนประทุสลายของรัก เป็นไม่ได้มั้ยเขียนโกรธมันเลยเตะรถมันเลยทุบกระจกรถมันเลยขีดข่วนสีรถมันเล ย, ล เ, ล ย, ล เ, ลยเป็นไม่ได้ใช่มไหมก็เคยโดนป่ะไม่ไม่โดนก็ดีไปแล้วเห ร, เรเอร อ, อ๋อยังไงเราเตะเองเหรอเหะอ๋ออ๋อเลอะเลอะนึกว่าเมาเห็นเป็นรถคนอื่น มันมีบพระมันการเ ต, รบตะบางทีไอ้ของของตัวนไม่ว่าของคนที่ตัวเปลี่ยนไปตามมันลกลายเป็นของตัวตอนนี้มันก็เหมือนไอ้ไอ้วิทยุซานติเตอร์สมัยก่อนมนะั้งตองเคาะๆมันทีนี้มันมีไอ้ลักษณะนี่มันเป็นลักษณ ะ, ะรายละเอียดของกรรมนะ ไอ้ปัทุสลายตัวก็รุตสลายตาปัทุสลายหูปัทุสลายหั ว, ยหวอย่างแย่กว่านีอีกนะตามลักษณะกรรมคราวนี้มันมีไอ้อันหนึ่งคือไม่ได้บัทุสลายตัวแต่ปัทุสลายคนที่ตัวรักจริงไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะนะฮะเช่นเราต้องการทำร้ายคนนี้เสร็จ แ, แล้วเราไปไปเฝ้าไอ้โรงเรียนลูกอ่ะจะไปทําร้ายลูกค่ะทำร้าย คนที่เขารักจะเป็นใครก็ได้ถึงขนาดทำร้ายคนใช้ในบ้านยังเอาเลยครับเออย่างงี้เขายิงชังง่วเราหน่อยแต่พวกก็ไม่ดีอยแล้วนี่พูดแบบคนนี้แค่ตัวนะพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะเกลียดเอาทีนี้ถ้าคู่กรณีคู่เวรเราเนี่ย <c oughs> เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานป้องกันง่ายมันก็อาจจะมียากบางละเพรามนุษย์คนนั้นเขามี กำลังในทางนักเลงแค่ไหนนะอิทธิพลเขาแค่ไหนอีกเรื่องแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งคือคู่เวรเป็นโอปปัติกาสัตว์โอปปัติกาเป็นเทวดาเป็นอะไรต่ลายแบบถ้าเป็นมารลงรอบไปมาเรียกว่าเทวปุตรมารสงเคราะห์ลงมาถึงปูดผีปีศาจอะไร ห, หมดแต่เนื่องจากว่าคู่ต่อสู้ของพระหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโอปปติกาที่มีระดับพอฟาด เ, เวียงกัน พวกเปรตหนึ่งไม่เอาด้วยงไงมปเบียดเบียนพระไม่เอาไม่แตะพระอรหันต์นะมือไม่ถึงกันบารมีไม่ถึงกันแม่เปรตเปรตที่มาเบียดเบียนพระก็นึกถึงแย่ละ่ะเน๋ยอพระก็เลยพากันความบาดไม่ไม่อนุโมทไม่แพ้อะไรไม่ยะถาสัปปีให้แล้วเปรตอดเลยอ่ไอ้พวกนี้อ่ะเัาก็จะเข้ามาเบียดเบียน เพราะนัเวลาที่เราแปรเมตตาหรือเราอะไรหลายอย่างเนี่ยนะอย่างกรณีที่หลายๆที่เรามีปัญหากันสังคมเนี่ยบางทีก็ไม่รู้แต่บางทีเราก็ต้องสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อทําศัตรูให้เป็นมิตรหรือทำศัตรูไม่ให้ทําอะไรเราได้ถึงจะยังไม่เป็นมิตรเราก็ตาม พระเศรษฐีคนนี้มีคู่เวรที่ปัทุสลายทายาทท่านก็ไม่ได้เล่าว่าเศรษฐีคนนี้ไปปัทุสลายทายาทคนอื่นเอาไว้แบบกรีนางกุลธิดาหน้าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาก็เลยผูกใจเจ็บเอาไว้แล้วก็เขาก็ไม่เกิดเป็นนู่นเป็นนี่ยังจําได้ปัทุสลายทายาททั้งตัวเองมีลูกกี่คนกี่คนตายหมด บางคนก็แก้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งชาติเลยเพราะไม่มีบุญหนุนหรือไม่มีคนที่จะช่วยแก้ให้ได้แต่ว่าบางคนนั้นสามารถแก้ได้ไอ้ตัวนี้นะ่ะอธิบายให้ชัดแล้วก็เรื่องมันเยอะแหละว่าไอ้คนแก้เนี่ยใครมาแก้บางทีเนี่ยฮะเรี่องถ้าใครมาคุยคุยกับผมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมจะบอกว่าไอ้บางทีมันเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราจะต้องมีสองสิบางทเีเราทำศัตรูให้เป็นมิตร แล้วก็ทํามิตรให้มาช่วยเหลือนะฮะทำคนเฉยๆเป็นมิตรทํามิตรให้ให้ใหเอาตัวรัเราเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือเราก็มีวิธีนะมิตรเนี่ยเขาก็จะมาช่วยอย่างกรณีเศรษฐีนี่ชัดเลยครับพอมีลูกคนนี้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายและคนเดียวท่านได้ความร่วมมือจากพวกพูด ที่เป็นเทวดาเวลาพระสว่วนภูตานี้นั่นแหละไม่ใช่ผีนะนี้ไม่ใช่ผีนะหมายถึงพวกเทพพญดาที่เป็นลุ ก, กเทวดาเป็นอากาศัตติวดาก็ชุมนุมเทวดาในในพระไตรปิฎกพูดหมายถึงพวกนี้ด้วย พูดก็มาให้การคุ้มครองพอสัน้นสัตีก็พอได้รู้อย่างนี้ก็จึงได้เอาชื่อพูดเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อลูกคล้ายๆว่าพูดให้ชีวิตแก่ลูกพูดให้ลูกมีค่าแล้วก็พูดให้ลูกล ก, ก็เอาพูดมาตั้งเป็นชื่อของลูกเหมือนเป็นการให้เกียรติพูดตํำนองผู้คนคิดหรือคนที่ไปขอลูกจากจากอ ไปเชียงใหม่กับมีคนบอกชื่อสุเทพเขาก็ถามผมว่าทําไมชื่อสุเทพพ่อแม่มาขอจากรอยสุเทพป่ะไม่เกี่ยวเลยผมก็ไม่ได้ถามทํำไมมาตั้งชื่อแต่ว่าอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าชื่อสุเทพเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่มีลูกจนกระทั่งมักขอมาบนกับพระธาตุดอยสุเทพเลยได้ลูกเลยตั้งชื่อให้เป็นอ น, น, สอนุสรพ่อสุเทพ เลยมาจ่าเอกอะผมผมเจอเขาผมก็ต้องเรียกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ดอยสุเทพอไรยเีนะไอของผมก็เรียกสุเทพเฉยเฉยไปมีเป็นเรื่องที่เขาเชื่อจริงๆนะแล้วก็ในทางศาสนาจริงแล้วนี่ก็เป็นไปได้ก็เป็นอันว่า ลอดปาเกียวปากามาด้วยเหตุที่ว่าท่านเองก็มีกรรมมีมีเขาเรียกว่ายานวิผาลาอิทิคนจะบรรลุเป็นพระหลานเนี่ยนะในชาตินั้นเนี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นในอัตราถาจึงใช้ถํานวนว่าแม้จะมียักษ์ใหญ่ไปฉวยเอายอดเขาเิเนลูมาฟาดก็ไม่ตายกรรมคุ้มยังไงก็ไม่ตาย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนพยายามจะถามให้ผมยืนยันให้ได้ว่ากรรมที่พ่อแม่ทำเนี่ยตกมาถึงลูกได้หรือไม่ผมไม่มีเวลาพูดอะไรมากนะักและกำลังเหนื่อยเลยขี้เกียจพานขี้เกียจเลยพูดแบบถูกเอาเขากินว่ามันไม่ใช่กรรมที่พ่อแม่ทำเนี่ยตกไปถึงลูกไหม เรื่องอย่างนี้เขาบอกเออคือเนื่องจากว่าท่านเนี่ยท่านเห็นคนทําความชั่วมาเยอะแล้วเห็นกระตาตอนหลังเลยว่าไอ้คนหนึ่งทําความชั่วแบบนี้ลูกมันไปตายแบบนี้ไปทํำลายคนอื่นเพราะลูกตัวเองต้องมาพิการแบบนี้เห็นมาเยอะซะจนกระทั่งเจ้าตัวถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยยังเชื่ออยู่ว่าโคบพ่อแม่ทําแล้วตกมาถึงลูกผมเสียดายไม่มีแรงจะพูดตอนนั้นพูดมาทั้งวันแล้ว ก็เลยนึกว่าเจอต้องต้องมาสะกิดมานั่งคุยกันเรื่องกะทีเอาก็ให้ชัดเลยว่ามันไม่ตกในทางหลักไอ้ทีแเราเรียกว่าตกๆพูดภาษาผลเผยได้เหมือนเหมือนให้ส่วนบุญเนีเ่ยพูดผลเผยเหมือนให้แต่จริงๆไม่ใช่ให้นะหรือ<ห>แก้ไม่ตกเลยฮนะสงสัยต้องนัดมาให้ได้หลายๆคนแล้วนัดมาทีเดียวนะอ๋อตายไปแล้วเหรอลช่วยแม่จันได้แเนะี่ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นั่นแบบเดียวกับกุศลนะที่ว่าพึ่งบารมีพึ่งอะไรต่ไรเนี่ยมันมีมุมอธิบายอยู่ว่าไอสิ่งเหล่านี้นะคืออะไรไม่ใช่กรรมที่คนหนึ่งทำแล้วตกไปถึงอีกคนหนึ่งแต่พูดภาษาเพื่อนๆีถวบ้านก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้น กรรมที่ในหลวงทำบุญกุศลที่ในหลวงทำตกมาถึงเราไหมไม่ตกมาถึงเราแล้วเราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แดงไงเพิ่งพระบรมโอป ส, สมโภชานใช่ไหมละ่ะขับรถตามหลังขบวนเสด็จรถติดมไหมติดไห ม, ไ, หมไม่ติดตังจัดระยะให้ดีแล้วกันเ ด, เดี๋ยวรถไม่ติดแต่คนขับรถติดคุก ตรงนี้คล้ายๆกันเขากลังเล่นไัยแล้วแค่เดินนั่งไปกินเลี้ยงแก่เดียวโ ด, โดนจับด้วยเนี่ยมันรอะอะไรกรรมของอื่นตกมาถึงเราเลยในชีวิตเบื้องต้นของท่านเนี่ยท่านมีความสุขมีประสาทสามฤดูอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาของลูกผู้หลักมากดีลูกท่านหลานเธอสมัยนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ เปลี่ยงแต่ว่าสามได้ดูนั่นชื่อว่าสามได้ดูแต่ว่า